พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2สองสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายอัปปทานภาคที่หนึ่งพระไตรปิฎกเล่มนี้แสดงถึงประวัติการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระปจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกต่างๆรวมทั้งสิ้น412ิเรื่องเป็นประวัติการทําความดีของพระพุทธเจ้าหนึ่งเรื่อง ประวัติการทำชั่วที่เคยมีในอดีตก่อนตรัสรู้หนึ่งเรื่องอันแสดงว่าเป็นเหตุให้ได้รับผลร้ายอย่างไรเป็นประวัติพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าหนึ่งเรื่องประวัติพระสาวกต่างๆ409เรื่องทุกเรื่องเรียบเรียงเป็นคําฉันและบอกไว้ด้วยว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้านั้นตรัสแสดงไว้แก่พระานนท์ ผู้เป็นเวเทหาหมุนีคือมุนีผู้ฉลาดลักษณะคำฉันที่แต่งไว้ไม่ใช่มุ่งเพียงแสดงประวัติแต่มุ่งให้มีความไพเราะทางวรรณคดีปนอยู่ด้วยเป็นอย่างมากในที่นี้จะย่อความเป็นตัวอย่างเพียงบางเรื่องเรื่องที่หนึ่งพุทธาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระพุทธเจ้า ใจความว่าพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามพระอนนทเทระได้กราบทูลถามถึงเหตุให้บุคคลทั้งหลายได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้สิ่งทั้งปวงตรัสตอบว่าต้องเป็นผู้ได้ทำอธิการคือคุณความดีไว้ในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่ยังไม่ได้บรรลุความหลุดพ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้ น, น, น ด้วยปัญญาที่ให้ตรัสรู้ออกหน้าผู้มีปัญญาย่อมบรรลุความเป็นสัพพัญญูได้โดยลำดับด้วยอัธยาศัยด้วยธรรมะเป็นกำลังอันใหญ่ด้วยปัญญาด้วยเดชพร้นแล้วตรัสเล่าว่าพระองค์เองได้ทรงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อ น, อนผู้เป็นธรรมราชาผู้สมบูรณ์ด้วยบา ร, รมีสาสิบนับจานวนไม่ได้ ได้ปรารถนาการตรัสรูต้ต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลายได้นามัสการสิบนิ้วซึ่งพระผู้เป็นนายกของโลกทั้งหลายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้อภิวาท ด, ด้วยเสียงกล้าวนอกจากนั้นยังแสดงถึงการที่มีพระหริยไทยนึกน้อมถวายทานมีความเลื่อมใสบูชาพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วแสดงการบำเพ็ญบารมีต่างมีศีลเป็นต้นแล้วลงสุดท้ายเป็นคำสอนว่าท่านทั้งหลายเห็นความเกียดร้านเป็นภัยเห็นความเพียรหลอดโปรงจากภัยคือเป็นความเกษมแล้วก็จงปรารถนาความเพียรเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นการวิวาดกันเป็นภัยเห็นความไม่วิวาดกันเป็นความหลอดโปร่งจากภัยแล้ว ก็จงสมัครสมานเป็นมิตรกันเถิดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นความประมาทเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทเป็นความปลอดโปร่งจากภัยแล้วก็จงเจริญมรรคาอันมีองค์แปเถิดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้เป็นต้นหมายเหตุ ข้อความที่พันนาในพุทธาประธานนี้หนักไปทางแสดงการบำเพ็ญบารมีทางใจมากกว่าอย่างอื่นและมีหลักสำคัญที่แสดงว่าได้แสดงความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆส่วนรายการบำเพ็ญบารมีอื่นอีกจะมีแจ้งข้างหน้าในการย่อเล่มที่สาอันวา่าด้วยจริยาปีดก เรื่องที่สองปัจเจกพุทธาประทานข้ออ้างหรือประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าใจความในคําฉันแสดงว่าพระอนนท์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเหตุที่บุคคลจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสตอบว่าต้องเป็นผู้ได้ทำอธิการคือคุณความดีไว้ในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ แต่ยังไม่ได้บรรลุความหลุดพ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นๆด้วยความสังเวชออกหน้าผู้มีปัญญากล้าแม้เว้นจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้บรรลุปัจเจกกบโพธิคือการตรัสรู้เฉพาะตนด้วยอารมณ์เล็กน้อยกว่าของพระพุทธเจ้าบุคคลที่จะเสมอพระปัจเจกกบพุทธเจ้าเว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็ไม่มีในโลกทั้งปวง ั้นแล้วตรัสแสดงคุณงามความดีต่างๆตามทํานองแห่งคัคควิสานสูตรที่ได้เคยย่อไว้แล้วเรื่องที่สสาริบุตเทราประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระสาริบุตรข้าพเจ้าหมายถึงพระสาริบุตรได้สร้างอาสมสร้างบรรณศาลาณเวลาพระบรรพศ ไม่ไกลหิมวันตับประเทศมีแม่น้ำฝั่งตื้นมีท่าอันดีหน้ารื่นรมมีเนินทรายอันบริสุทธิ์ดีไม่ไกลอาสมข้าพระเจ้าคือพระสาวรีบุตรเป็นดาบทนามว่าสุรุจิมีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดข้อปฏิบัติมักเข้าฌานยินดีในฌานเสมอถึงพร้อมด้วยกำลังคืออภินยาห้าได้แก่แสดงฤทธิ์ได้ หูทิพกำหนดรู้ใจผู้อื่นประลึกชาติได้และมีตาทิพย์มีสิทธิ์เป็นพราหมณ์ผู้มีชาติมียศเป็นจำนวนมากเป็นผู้รู้คำพีพราหมณ์อุปถาบำรุงข้าพเจ้าวันหนึ่งได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอนมทัศสีเมื่อได้สังเกตดูพระพุทธลักษณะแล้วก็แน่ใจว่าเป็นพระพุทธเจ้า จึงปัดกวาดนําดอกไม้แปดกำมาบูชาแล้วกล่าวสรรเสริญพระยานของพระอนมุมัตสีพุทธเจ้าและได้รับพยากรณว่าจะเป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตรมีปัญญากล้าได้เป็นอัครสาวกของพระโคโดมพุทธเจ้าครั้นแล้วได้กล่าวถึงชาติปัจจุบันเล่าประวัติที่ได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิและได้ออกบวช ร่วมกับสหายชื่อโกลิตะคือพระมหาโมคลานะจนกระทั่งสิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานเรื่องที่สมหาโมคลานะเทราประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระมหาโมคลานะเทระข้าพระเจ้าคือพระมหาโมคลานะเป็นราชาแห่งหนาค ชื่อว่าวารุณะได้เคยถวายอาหารแดบระอนุมัตสีพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระขีนาศพสาวกและได้รับพยากรว่าจะได้เป็นอัครส า, าวกนามวาโกริตักของพระโคดมพุทธเจ้าเรื่องที่ห้ามหากัสปะเทระประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระมหากัสปะเทระ ข้าพเจ้าคือพระมาหากัสสปะได้ชักชวนญาติมิตรให้ทำการบูชาพระประทุมุตระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วได้ทำกุศลเป็นอันมากผลดีส่งให้ได้ไปเกิดในสุคติและในชาติสุดท้ายได้เกิดในสกุลพราหมณ์ละสมบัติออกบวชได้บรรลุปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภิน ญ, ญาหก หมายเหตุในคําฉันจริงๆพิสดารกว่านี้มากได้ย่อใจความที่สําคัญมาให้เห็นว่าแต่ละท่านได้บำเพ็ญความดีในชั้นแรกก็ไม่มากอะไรแต่ได้บำเพ็ญความดีต่อๆกันมาจึงได้รับผลดีคือหมดกิเลสเวลาแสดงประวัติท่านก็ไม่ลืมถือว่าความดีเล็กๆน้อยๆที่ทำไว้เป็นครั้งแรกนั้น เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งในประวัติของท่านเรื่องที่หกพุทธาประธานข้ออ้างหรือประวัติของพระพุทธเจ้าในที่นี้จะนำพุทธาประธานอีกบทหนึ่งอันมีชื่อว่าบุพภกรรมะปิโลติกกแปลว่าท่อนผ้าเก่าแห่งบุพภกรรม ส่วนใหญ่แสดงถึงกรรมชั่วที่พระผู้มีพระภาคเคยทรงทำไว้อันส่งผลร้ายแก่พระองค์แม้ในพระชาติสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ในการเปิดเผยพระประวัติทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอย่างตรงไปตรงมาว่าเคยทรงทำไว้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วเฉพาะเรื่องนี้จะพยายามถอดความให้ละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจทั่วไป เรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคอันพระภิกษุสงหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับเหนือพื้นศิลาอันน่าเรื่นรมใกล้สะอโนดาดตรัสเล่าบุพกรรมคือกรรมในการก่อนของพระองค์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังถึงกรรมที่เราได้กระทำไว้แล้วเราเห็นภิกษุผู้อยู่ป่ารูปหนึ่งจึงได้ถวายผ้าท่อนเก่า ในการนั้นเราได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกผลแห่งกรรมอันเนื่องด้วยผ้าท่อนเก่านั้นได้สำเร็จแม้ในความเป็นพระพุทธเจ้าเราเคยเป็นนายโคบานในชาติก่อนๆตอนแม่โคไปสู่ที่หากินเห็นแม่โคดื่มน้ำขุนจึงห้ามไว้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้เรากระหายน้ำ จึงไม่ได้ดื่มตามต้องการสำหรับเรื่องนี้อยู่ในมหาปรินิพานสูตรพระผู้มีพระภาคทรงใช้พระอ น, นุลไปตักน้ำพระอนนต์ไม่ตักกลับมากราบทูลว่าน้ำขุนต้องตรัสย้ำให้ไปใหม่พอพระอ น, นุ์ไปตักครั้งที่สองน้ำกลับใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเคยเป็นนักเลง ชื่อปุณาลิในชาติก่อนๆได้กล่าวใส่ความรับปัจเจกพะพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพิผู้ไม่ได้ประทุสร้ายด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานเสวยทุกขเวทนาสิ้นพันปีเป็นอันมากด้วยกรรมที่เหลือนั้นในภพสุดท้ายนี้ก็ถูกใส่ความเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาคือนางสุนทริกา เป็นนักบวชหญิงถูกพวกเดรถีใช้ให้ทำเป็นบอกใครต่อใครว่าจะไปค้างคืนกับราสมณะโคดมแล้วไปค้างเสียที่อื่นรุ่งเช้าก็ทำเป็นเดินทางมาจากเจตะวนารามที่ประทับพออีกสองถึงสามวันพวกเดรถีก็จ้างนักเลงไปฆ่านางสุนทริกาเป็นเชิงให้เห็นว่านางถูกฆ่าเพื่อจะปิดปากคนก็สงสัยว่าอาจจะจริง แต่พระราชาสรงราชบุรุษสืบดูตามร้านสุราก็จับพวกนักเลงได้และลงโทษผู้จ้างด้วยในที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะกล่าวใส่ความพระสาวกของพระสัพภาภิภูพุทธเจ้ามีนามว่านันทะเราจึงท่องเที่ยวไปในนรกตลอดกาลนานหลายหมื่นปีเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ถูกใส่ความมากด้วยกรรมที่เหลือนั้นนางจินจมานาวิกาจึงได้ใส่ความเราด้วยคำไม่จริงต่อหน้าหมู่ชนนางจินจมานาวิกาซึ่งเป็นนักบวชสตรีถูกพวกเดรธีใช้ให้ทำอุบายเป็นว่ามีคันกับพระพุทธเจ้าโดยเอาไม้ผูกไว้ที่ท้องแกล้งด่าประจานพระผู้มีพระภาคในที่ประชุมชน แต่เพอเอินไม้ที่ผูกไว้หลุดตกลงมาจึงถูกประชาทันและถึงแก่ความตายในที่สุดซึ่งอธิกถาธรรมบทใช้คำว่าถูกธรณีสูบตายภายหลังที่ถูกประชาชนลงโทษแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เคยเป็นพรามผู้มีความรู้คือผู้ได้สดับมีผู้เคารพสักการะ สอนมนแก่มานพห้าร้อยได้ใส่ความพิมะฤศีผู้มีอภิญญาห้ามีฤทธิ์มากผู้มาในที่นั้นโดยกล่าวกับสิทธ์ทั้งหลายว่าฤศีนี้เป็นผู้บริโภคกรรมมานพทั้งหลายก็ปล่อยชื่นชมไปกับเราเมื่อไปพิคขาจารย์ในสกุลก็เที่ยวกล่าวแก่มหาชนว่าฤศีนี้เป็นผู้บริโภคการมด้วยผลแห่งกรรมนั้น ภิกษุห้าร้อยเหล่านี้ทั้งหมดก็พลอยถูกใส่ความไปด้วยเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาสืบเนื่องจากเรื่องก่อนเมื่อมีข่าวว่านางสุนทริกาถูกฆ่าตายชาวเมืองก็เข้าใจว่าพระภิกษุทั้งหลายมีส่วนในการฆ่าปิดปากจึงพากันด่าว่าเมื่อไหร่เห็นภิกษุทั้งหลายต่อเมื่อพระราชาทรงสืบทราบและให้ลงโทษผู้ฆ่าแล้ว เรื่องจึงได้สงบดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนเราได้เคยฆ่าน้องชายต่างมานดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์ผลักลงไปในซอกเขาเอาหินทุ่มด้วยผลแห่งกรรมนั้นเทวทัตจึงเอาหินทุ่มเราสะเกตดหินมาถูกหัวแม่เท้าเราในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ในทางใหญ่ เห็นพระประเจกพุทธเจ้าจึงเผาสิ่งต่างๆขวางทางไว้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้เทวทัตจึงส่งคนเพื่อให้ฆ่าเราในการก่อนเราได้เป็นนายควานช้างใสช้างให้ไล่กวดพระปัเจกพุทธเจ้าผู้เที่ยวไปเพื่อบินธบาตด้วยผลแห่งกรรมนั้นช้างนาลาคิริ ดุร้ายเมามันจึงวิ่งเข้ามาหาเราเพื่อทำร้ายในนครอันประเสริฐซึ่งมีภูเขาเป็นคอกข้อนี้คือในกรุงราชเครซึ่งมีภูเขาห้าลูกแวดล้อมจึงมีนามว่านครที่มีภูเขาล้อมเป็นคอกเราได้เคยเป็นพระราชาเป็นหัวหน้าทหารเดินเท้าได้ฆ่าบุรุษหลายคนด้วยหอก ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราได้หมกไหมอย่างหนักในนรกด้วยผลที่เหลือแห่งกรรมนั้นสเก็ดแผลที่เท้าของเราก็กลับกำเริบรอบกรรมยังไม่หมดเราเคยเป็นเด็กชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเห็นชาวประมงฆ่าปลาก็มีความชื่นชมด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงเกิดเจ็บที่ศีรษะ ในขณะที่วิตุพะหรือวิทูทภะฆ่าพวกสักยะข้อนี้สืบเนื่องจากวิทูทพะค่าพวกสักยะเพราะโกรธว่าดูมิน่นเอาน้ำนมสดล้างที่นั่งเมื่อคราวที่ตนไปเยี่ยมญาติณกรุงกบิลพัทวิทูทพะเป็นโอรสพระเจ้าประเสนที่โกศลและนางวาสพคติยาผู้เป็นบุตรี เกิดจากนางทาสีของมหานามสาสักยะคณะกษัตริย์สักยะเลือกส่งมาถวายพระเจ้าปเปเสนที่เมื่อคราวทรงขออภิเศกกับนางกษัตริย์สกักยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เคยบริพาทคือด่าโดยอ้อมพระสาวกในพระธรรมวินัยของพระพุทธสพพุทธเจ้าว่าท่านจงเคี้ยวจงกินข้าวเหนียวเถิด อย่า ก, กินข้าวสาลีเลยด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราเลยต้องบริโภคข้าวเหนียวอยู่สามเดือนในเมื่อพรามนิมนต์ไปอยู่ในเมืองเวรัญชาข้อนี้คือพรามนิมนต์ไปจาพรรษาแล้วลืมถวายอาหารได้อาศัยพวกข้อค้ามา้าถวายข้าวแดงอาจเป็นข้าวเหนียวแดงที่สำหรับให้ม้ากิน ในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเราได้เคยทำร้ายบุตรแห่งนักมวยปล้ำด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงเกิดเจ็บที่หลังเราได้เคยเป็นหมอแกลงทายยาบุตรแห่งเศรษฐีข้อนี้คงเป็นการท่ายอย่างแรงถึงแก่ชีวิตด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงลงโลหิตเป็นโรคปักคันทิกะ เราเป็นผู้ชื่อว่าโชติปาละได้เคยกล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสปะว่าการตรัสรู้เป็นของได้โดยยากท่านจะได้จากควงไม้โพที่ไหนกันด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราได้บำเพ็ญทุกขระกิริยาเป็นอันมากสิ้นเวลาหกปีต่อจากนั้นจึงได้บรรลุการตรัสรู้เราไม่ได้บรรลุการตรัสรู้โดยทางนั้น โดยสแสวงหาโดยทางที่ผิดเพราะถูกกรรมเก่าทวงเอาเราสิ้นบุญและบาปแล้วเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้นปราศจากอาสวะจากปรินิพพานจบย่อความพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสองอภิษานภาคที่หนึ่ง